คนชักชวนในทางฉิบหายคือคนผู้ชักชวนในทางเสื่อมแห่งพภกทรัพท์ทำให้ชีวิตเสียหายล้มจมมีลักษณะสี่อย่างคือหนึ่งชักชวนดื่มน้ำเมาอันทำให้ประมาทขาดสติแล้วไปก่อความชั่วต่างๆตามมาอีกเป็นอันมากสองชักชวนเที่ยวกลางคืนซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของคนโดยทั่วไป สมชักชวนให้มัวเมาในการเล่นดูการแสดงมหระศพต่างๆมากเกินไปหามรุ่งหามค่ำสี่ชักชวนเล่นการพ น, นันเป็นเหตุให้เสียทรัพย์สินเงินทองบ้านที่ดินและสิ่งมีค่าอื่นๆจนหมดเนื้อหมดตัว